ท่านประนท่านสาธุชนพุทธบวรศาตรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่31มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระวันธรรมสวนาะณวันฟังธรรมเป็นวันที่เราจะได้มาศึกษา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญลาง บ, บาปชำระใจให้สะอาบริสุทธิ์เพื่อความสุขและความเจริญของจิตใจเพราะไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับจิตใจจิตใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นตัว ตัวจริงของจริงสิ่งอื่นๆทั้งหลายเป็นของปลองหมดเพราะว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับหมดไปแต่มีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นที่ไม่มีวันดับไม่มีวันหมดความสุขหรือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ไม่มีวันหมดไปเช่นเดียวกัน อยู่ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของใจว่าจะทําให้มีความสุขไปอย่างเดียวหรือจะมีความทุกข์สลับกับความสุขสําหรับพระพุทธเจ้าและพระอาหามตระสาวกทั้งหลายท่านสามารถทําใจของท่านให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวส่วนผุ้ทัชนอย่างพวกเรานี้ยังไม่สามารถทําได้ทํา ทำได้แต่สลับกันไปคือสุขบ้างทุกบ้างส่วนใหญ่จะทุกมากกว่าสุขเพราะขาดปัญญาความฉลาดความรู้ที่จะสอนให้ใจรู้สักรู้จักรักษาใจให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็น ผู้ที่โชคดีเพราะจะได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายว่าการที่เราจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์เลยเราจำเป็นจะต้องทำสามอย่างด้วยกันคือต้องทำบุญต้องละต้องละบาป แล้วก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆเพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวุกทั้งหลายท่านได้ทําลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ จนหมดสิ้นไปจากใจของท่านแล้วใจของท่านจึงเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังใจที่เป็นนิพพานมีความสุขอย่างยิ่งนิพพานก็แปลว่าการปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนั่นเองใจสะอาดบริสุทธิ์จึงมีความสุขที่เป็นบรม เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปและไม่มีความทุกข์เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่แหละเป็นการหาหรือการสร้างความสุขให้แก่เราที่แท้จริงต้องสุขที่ใจเพราะพูดแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานใจจะต้องอยู่ไปตลอด แต่สิ่งต่างๆนั้นเขาอยู่ไม่ได้ไปตลอดเขาอยู่ได้ชั่วคราวเวลาเราได้เขามาเราก็มีความสุขแต่พอเวลาที่เราต้องเสียเขาไปหรือเราต้องจากเขาไปเราก็จะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาภ้า ให้มาหาความสุขจากการทําบุญละบาและชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การที่เราจะสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือ mm hmm. เหมือนกับเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนยางรถเวลายางแตกถ้าเราไม่มีเครื่องมือ เราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางได้เราต้องมีแม่แรงสำหรับยกล้อล้อให้ลอยขึ้นแล้วก็มีเ <c oughs> ครื่องมือที่จะถอดน็อตออกมาเพื่อจะได้เอาอยางเก่าออกแล้วเอาอยางใหม่ใส่เข้าไปฉันใดการที่เราจะทำบุญละบา ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเช่นเดียวกันเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรานี้มีอยู่5ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาความเชื่อข้อที่สองเรียกว่าวิริยะความภาคเพียรข้อที่สามคือสติความระลึกรู้ ข้อที่สคือสมาธิความสงบตั้งมั่นของจิตใจและข้อที่ห้าคือปัญญาความฉลาดรู้ตามหลักของความเป็นจริงนี่คือเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ทำให้ปรมังสุขขัง คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราได้เพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก็ได้ใช้เครื่องมือนี้มาแล้วด้วยกันทุกๆุกคนจึงทำให้ท่านสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทำให้ท่านได้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้อยู่ที่เครื่องมือห้าข้อนี้ คือศรัทธาสติวิริยะสมาธิและปัญญาข้อที่หนึ่งศรัทธาคือความเชื่อให้เชื่ออะไรก็ให้เชื่อว่าการทาบุญลาบาปการทำละใจให้สะอาดบริสุทธินี้เป็นการสร้างความสุข ด, ดับความทุกข์ภายในใจของเรานั่นเองเหมือนกับเราเชื่อหมอที่ให้ยาเรามารับประทาน เชื่อว่ายาที่หมอให้เรามารับประทานนี้จะรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ให้หายได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่กล้ารับประทานยาถ้าเราคิดว่าเป็นยาพิษเราก็จะไม่กล้ารับประทานยาแต่ถ้าเราเชื่อว่าเป็นยาที่จะรักษาโรคใจโรคร่างกายของเราให้หายได้เราก็จะรับประทานตามหมอสั่ง เราลารับประทานไปแล้วเราก็จะรู้เองว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาได้จริงหรือเปล่านี่ก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทาบุญละบาปชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ เอาอยาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้เรานี้มารับประทานกันด้วยการปฏิบัติตามอย่างในวันนี้เป็นวันพระพวกเราก็มีความเชื่อมีศรัทธาเราจึงมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาทำบุญด้วยการนำเอาข้าวของต่างๆที่จาเป็น ต่อการนำรงชีพมาถวายพระภิกษุสา ม, มเณรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญคือทานเป็นการให้ให้แล้วจะเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมาข้อที่สองเราก็มาสมาทานศีลห้าข้อด้วยกันเรียกว่าเป็นการละบาปละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมน้ตเทศโกหกหลอกลวงละเว้นจากการเสพสุรายาเมานี่เป็นการละบาปบาปนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนมีความว้าวุ่นขุ่นเบือ ว, วิตกกังวลหวาดกลัวไปต่างๆนานา ถ้าไม่ทำบาปแล้วใจก็จะสงบใจก็จะเย็นสบายไม่ว้าวุ่นไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กงังวลไม่หวาดกลัวแล้วเราก็มาทำข้อที่สามกันคือมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขั้นแรกเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนศึกษาวิธีที่จะชำระ ใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าสอนว่าจะชำระใจได้จะต้องภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี้เองการที่จะเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้ก็ต้องเจริญสติก่อนเพราะสตินี้เป็นเพื่อเป็นเหมือนพ่อแม่ของสมาธิและปัญญา อย่างพวกเราถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็เกิดไม่ได้ถึงแม้ว่าสมาธิและปัญญานี้จะมีความวา ม, มีความสามารถมากกว่าสติคือต้องมีสมาธิต้องมีสติถึงจะสามารถทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้สติตัวเดียวทำไม่ได้ต้องมีสมาธิและปัญญาถึงจะทำได้ แต่สมาธิและปัญญาก็จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีพ่อมีแม่ผู้ให้กำเนิดเหมือนพระพุทธเจ้าจึงจะไม่สามารถเป็นตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กาเนิดมาก่อนถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะตัดสรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองแต่เขาก็มีความจำเป็นต่อพระพุทธเจ้า เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่พระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถเกิดออกมาได้เมื่อไม่มีไม่มีเกิดก็ไม่มีการที่จะมาปฏิบัติธรรมได้มาชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้สติจึงเป็นตัวสำคัญที่สุดในเบื้องต้นในการเริ่มต้นของการปฏิบัติต้องมีสติและถ้าจะมีสติได้ก็ต้องมีวิริยะ วิริยะคือความภาคเพียนภาคเพียนเพื่ออะไรก็ภาคเพียงเพื่อสร้างสติขึ้นมานี่เองถ้าเราไม่ภาคเพียงสร้างสติสติจะไม่เกิดขึ้นมาเองสติเกิดขึ้นได้จากความภาคเพียงภาคเพียนอย่างไรถึงทำให้มีสติได้ก็ภาคเพียงให้ใจนี้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่าง ในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีที่ใกล้ก็ดีที่ไกลก็ดีให้ใจให้รู้อยู่อย่างเดียวกับปัจจุบันให้รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ให้ดึงใจมาเฝ้าดูที่ร่างกาย <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนตารวจที่คอยควบคุมผู้ต้องหายาต้องไม่ให้คลาดไปจากสายตา จะต้องเฝ้าดูผู้ต้องหาอยู่ตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเช่นเวลาเราตื่นขึ้นมาใจเราอย่าไปที่ทางานอย่าไปที่ธุระที่เราจะต้องไปทำในวันนี้จะไปก็ได้แต่ต้องมีสติควบคุมไปจะต้องอยู่เฉยๆแล้วคิดให้พอคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรจะต้องไปทำอะไรบ้างเมื่อคิดเสร็จแล้วถึงค่อยลุกขึ้นมา พอลุกขึ้นมาก็ต้องเอาใจกลับมาเฝ้าดูที่ร่างกายอย่าทำสองอย่างพร้อมๆกันอย่าเฝ้าร่างกายแล้วก็ไปทำไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติต้องให้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าจะคิดก็ให้อยู่กับความคิดอย่างเดียวถ้าคิดก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งคิดให้พอคิดให้เสร็จเรียบร้อยคิดด้วยเหตุด้วยผลอย่าคิดเพิ่เจอ อย่าคิดใฝ่ฝันอันนี้จะทําให้เกิดฟุ้งซ่านไม่สงบให้คิดด้วยเหตุด้วยผลว่าเราจะต้องทําอะไรในวันนี้เมื่อเราคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ร่างกายเพื่อจะได้พาร่างกายไปทําหน้าที่นั้นต่อไปพาร่างกายเข้าไปห้องน้ําล้างหน้าล้างตาอาบน้อาอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารออกเดินทางไปที่ทํางาน ทุกขณะต้องอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การกระทํากำลังล้างหน้าก็ต้องบอกว่ า, า, าล้างหน้าล้างหน้ากำลังแปรงฟันก็บอกกำลังแปรงฟันแปรงฟันอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าไปถ้ามันห้ามมันไม่ให้ไปคิดไม่ได้มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้พุทโธดึงเอาไว้อีกอันหนึ่งอาบน้ำไปก็พุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้ มันก็จะอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ทำอะไรไปก็พุทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธรับประทานอาหารก็พุทโธออกเดินทางก็พุทโธพุทโธไปถึงที่ทำงานก็พุทโธทำงานก็พุทโธยกเว้นเวลาที่ต้องพูดต้องคุยหรือต้องคิดเรื่องของการทำงานก็ค่อยหยุดพุทโธนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติ เพราะถ้าเราจเจริญสติดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันได้เวลาที่เราจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบมันก็จะไม่ลอยไปลอยมาใจจะสงบได้นี้ใจจะต้องนิ่งไม่ลอยไปลอยมาไม่คิดอะไรดังนั้นถ้าเรามีเวลาว่างหลังจากที่เราทาภารกิจต่างๆแล้วเราก็ควรหามุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งหลับตา แล้วก็ภาวนาจเจริญสมาธิจะใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องผูกใจดึงใจให้เข้าสู่ความสงบก็ได้จะใช้พุทธโธบริกรรมไปก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างผสมกันไปก็ได้เช่นลมหายใจเข้าก็ว่าพุทธลมหายใจออกก็ว่าโธก็ได้หรือถ้าไม่อยากได้ อย่างนี้ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเราต้องการบริกรรมพุทโทรให้เร็วเพราะบางทีความคิดมันชอบเข้ามาแทรกถ้าเราพุทโทรกับลมหายใจความคิดมันจะเข้ามาแทรกเราก็เอาพุทโทรอย่างเดียวบริกรรมให้มันถี่ขึ้นไปให้มันเร็วขึ้นไป <S <S เพื่อจะได้ไม่ให้ความคิดมันเข้ามาแทรกไดเนื่องเวลาเราทำเราต้องสน เราต้องสังเกตดูว่าใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรใจเราฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านมากให้ดูลมหายใจอย่างเดียวมันจะไม่ยอมมันจะคิดอยู่เรื่อยๆตอนนั้นเราก็ต้องใช้พุทธโธบริกรรมไปให้ถี่ขึ้นถ้าพุทธโธไม่ไหวก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดไปไปในใจเหมือนกับเราบริกรรมพุทธโธส่วนอรหังสัมมาสวัสดขาโตสุปฏิปันโน หรือสวนบนดบ่นใดที่เราจําได้สวดไปซ้ําไปซ้ำมากลับไปกลับมาจนกว่าความคิดมันจะเบาบางหรือหายไปแล้วเราค่อยกลับมาดูลมหายใจก็ได้หรือกลับมาบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวก็ได้ถ้าอยู่กับการบริกรรมพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจ เดี๋ยวใจมันก็จะวูบลงไปเวลาจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบนี้เป็นเหมือนตอนที่เราตกลุมตกบอก่อใจมันจะวูบลงไปแล้วก็นิ่งสบายมีความสุขอย่างยิ่งจะเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจเวลามันเจอความสงบแบบนี้แล้วมันไม่สงสัยถ้ายังไม่เจอก็ยังไม่สงบถ้านั่งไปแล้วมีความรู้สึกเบาบ้างสบายบ้าง แต่ยังยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือยังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาคอยบครบกวนใจอยู่เช่นยังมีเสียงมาคอยบครบกวนใจยังมีอะไรมาบรบกวนใจอย่างนี้แสดงว่ายังไม่สมบงบเต็มที่ถ้าสบงบเต็มที่แล้วใจจะไม่รู้สึกบรบกวนอะไรจะมีก็จะไม่มาบรบกวนใจถึงแม้จะมีเสียงก็จะไม่บรบกวนจะไม่รู้สึกลาคาน ถึงแม้จะมีความเจ็บตรงนั้นตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกลำคาลับได้ใจนิ่งเป็นอุเบกขาเฉยได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นความสงบความสงบนี้จะมีสองลักษณะสงบแบบไม่ทุกอย่างหายไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะร่างกายนี้หายไปหมดเหลือแต่จิตสักแต่ว่ารู้อยู่ตามหนงธรรมเป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างมาก แล้วเป็นสงบแบบที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ร่างกายยังยังรับรู้ได้อยู่แต่ไม่มุ่นวายไปกับเขาปล่อยวางเขาตามสภาพร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนเสียงจะเข้ามาสัมผัสก็ไม่ไม่เดือดร้อนใจนิ่งเฉยเฉยสบายอย่างนี้ก็เป็นสมาธิเหมือนกันสมาธิทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิ าะเป็นสมาธิที่จะเป็นฐานของปัญญาต่อไปสมาธิแบบนี้ทำให้กิเลสนั้นอ่อนกำลังลงเวลามีสมาธิแบบนี้จะไม่มีอารมณ์วูว่ว่ายังไม่มีความโลภความโกรธความหลงเพราะตอนนั้นถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้แต่ยังไม่ตายพอออกจากสมาธิแล้วนี้เดี๋ยวจิตมันก็กิเลสมันก็จะเริ่มมีกาลัง มันก็จะเเริ่มสร้างอารมณ์โลภโกรดหลงเกิดขึ้นมาต่อไปนี่คือสมาธิที่ถูกสมาธิที่ไม่ถูกคืออะไรคือสงบแล้วไปเห็นนั่นเห็นนี่ไปรู้นั่นรู้นี่อย่างนี้ใจไม่สงบเต็มที่ไปรับรู้เรื่องกายทิพบ้างนาลรบ้างสวรรค์บ้างชาติก่อนบ้างไปมีอิกมิฤทธ์ไปมีหูทิบตาทิพ ไปทำงายทายทักคนนั้นคนนี้ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นสมาธิที่จะเป็นฐานของปัญญาเพราะในขณะนั้นกิเลสไม่ได้ถูกกดเอาไว้นั่นเองกลับจะเกิดกิเลสการหาอยากจะมีฤทธิ์อยากจะเห็นนั่นเห็นนี่ <c oughs> พอเวลานั่งสมาธิทีไรก็อยากจะเห็นทุกทีใจก็เลยไม่ได้ตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆ ดังนั้นอย่าไปหลงกับสมาธิแบบนี้ถ้ามีสมาธิแบบนี้ต้องใช้พุทโธไล่ไปพุทโธต่อไปหรือกลับมาดูลมต่อไปจนกว่าใจมันจะสงบนิ่งว่าไม่มีอะไรอันนั้นแหละถึงจะเป็นสมาธิที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป <c oughs> ดังที่พระเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่าสมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วนี้มีอนุภาพมาก มีประโยชน์มากคือการจะมีสมาธิได้นี้ต้องมีศีลเป็นบาเป็นฐานเป็นผู้สนับสนุนเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วสมาธิก็จะไปอบรมปัญญาต่อไปปัญญาที่ได้รับมีสมาธิเป็นผู้อบรมก็จะมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากเพราะว่าเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญาก็จะสามารถ ทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลส ท, ทั้งปัวงได้นั่นเองกิเลสจะกิเลสจะดับได้ก็ต้องใช้ปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนศีล ส, สมาธิปัญญาจึงเป็นบันไดที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้นก่อนที่จะขึ้นไปสู่ขั้นศีลเราก็ต้องขึ้นสู่ขั้นทานก่อน ทานเป็นท่านแรกทำบุญให้ทานละความผูกพันในข้าวของเงินทองละความโลภอยากได้ข้าวของเงินทองแล้วก็สร้างความเมตตาเพราะการให้นี้จะทำให้เรามีความเมตตาเวลาเราให้อะไรกับใครเราก็ต้องการให้เขามีความสุขเมื่อเรามีนิสัยความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจเราก็จะไม่อยากแชร์เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องระมัดระวังเราต้องคิดก่อนว่าทำไปแล้วทำให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าทำให้เขาทุกข์ลำบากหรือเปล่าถ้าทำให้เขาเดือดร้อนก็จะไม่ทำก็จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสรารยามาเพราะการกระทำทั้งห้าข้อนี้จะกระทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนั่นเอง ดังนั้นก่อนที่จะรักษาศีลได้ต้องใจต้องเป็นใจบุญสุนทานก่อนใจกว้างใจเมตตากรุณาเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เมื่อใจกว้างแล้วก็จะรักษาศีลได้พอรักษาศีลได้ใจก็จะสงบพอสมควรพอที่จะทำให้สามารถเจริญสติเพื่อมานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมานี้ ก็จะสามารถเจริญปัญญาได้สามารถดูจิตได้แล้วทีนี้ก่อนหน้านั้นดูไม่ได้เพราะดูแล้วทำอะไรไม่ได้ดูแล้วหยุดไม่ได้เวลาเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมานี้หยุดกิเลสไม่ได้เพราะไม่มีกําลังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็ดับไม่ได้ไม่มีกําลังเหมือนกับมีมีดแต่ไม่มีแรกก็ฟันไม่ได้ ทำลายสิ่งที่เราต้องการทำลายไม่ได้เพราะไม่มีแรงต้องมีแรงแล้วก็ต้องมีมีดพ อ, อจากสมาธิเราก็ใช้ปัญญาดูใจเลยดูว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรพอกิเลสโผล่ขึ้นมาใจจะวูบขึ้นมาร้อนขึ้นมาทันทีเพราะโกรธขึ้นมาจะเห็นทันทีตอนนั้นเราก็เอามีดฟันไปเลยเอาปัญญาตัดเลยว่าความโกรธนี้ไม่ดี ความโกรธนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์พอเรามีปัญญามีสมาธิเราก็จะหยุดได้ทีนี้เราจะตามดูจิตทั้งวันก็ได้ดูไปเรื่อยๆเวลาเกิดความโลภ ก, ก็ตัดมันได้เวลาเกิดความโกรธก็ตัดมันได้เวลาเกิดความอยากก็ตัดมันได้แต่มันก็จะตัดไปได้ในระยะหนึ่งพอหมดกำลังพอสมาธิหมดกำลังก็จะรู้สึกตัดไม่ค่อยไหวแล้วตัดไม่ได้ ถ้าตอนนั้นก็ต้องหยุดกลับเข้ามานั่งสมาธิใหม่มาเติมกำลังใหม่เหมือนคนที่ออกไปทำงานข้างนอกบ้านพอเย็นแล้วก็เหนื่อยทางานไม่ไหวก็ต้องกลับบ้านมารับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนหลับนอนพอตอนเช้าตื่นขึ้นมามีกำลังก็ออกไปทำงานต่อชันใดสมาธิก็เป็นเหมือนที่พักของใจ หลังจากที่ทำงานตัดกิเลสมาตลอดทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วพอถึงเวลาก็ต้องกลับมาเข้ามาในสมาธินี่คือการปฏิบัติเพื่อการสร้างความสุขด้วยการตัดกิเลสชำระกิเลสให้หมดไปจากจิตจากใจต้องใช้ทั้งสมาธิและปัญญาสลับกันไปพอพอออกจากสมาธิก็ดูใจ คอยเฝ้าดูเวลาอยากก็ตัดมันเวลาโกรธก็ตัดมันเวลาโลภ ก, ก็ตัดมันพอเหนื่อยแล้วไม่มีกำลังตัดไม่ได้แล้วก็กลับเข้าไปพักในสมาธิก่อนแล้วค่อยออกมาตัดมันใหม่ต่อไปให้ทําสลับกันไปอย่างนี้จนไม่มีกิเลสโผล่ออกมาจากใจแล้วตอนนั้นใจก็สะอาด บ, บริสุทธิ์แล้วเหมือนกับการซักผ้าเราต้องซักมันไปไเรื่อยๆจนกว่าผ้ามันจะสะอาด ถ้าผ้ายังไม่สะอาดเราก็ต้องซักไปเรื่อยๆซักมันไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะสะอาดเองพอสะอาดแล้วมันก็จะไม่มีวันที่จะสกระปรกอีกต่อไปเพราะมีสติสมาธิและปัญญาคอยป้องกันไว้นั่นเองนี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความเจริญที่แท้จริงต้องสร้างที่ใจของเรา เพรใจของเราเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงเป็นตัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดหมดไปไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นตัวตัวปลอมของเราเป็นเพียงตัวแทนของเราไม่ใช่ตัวจริงของเราร่างกายของเรานี่มันอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องตายไปแต่ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายจึงอย่าไปเสียเวลากับการดูแลรักษาร่างกายให้มากจนเกินไป ดูแลพอให้มันอยู่ได้ก็พอแล้วดูแลเหมือนเราดูแลหมาตัวหนึ่งไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากให้มันมีข้าวกินให้มันมีน้าดื่มให้มันมีที่หลบแดดหลบฝนได้มันก็อยู่ได้แล้วมาดูแลใจดีกว่ามาดูแลใจด้วยการทำบุญละบาปชำละใจให้สะอาดบริสุดด้วยการเจริญศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญา ถ้าเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเต็มร้อยแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วในภพนี้ชาตินี้เลยเพราะมีผู้ได้ทามาแล้วนับเป็นจำนวนมากที่เรากราบไหวบูชาว่าเป็นสังฆรักขณะนะว่าเป็นสังฆสรารนังกระฉามิบุคคลเหล่านี้เขาก็เป็นเหมือนเรามาก่อน แต่เขาเกิดศรัทธาเกิดวิรยิยะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเขาจึงได้กลายจากปุตุชนมาเป็นอริยบุคคลพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะนี่คือทางทางไปของพวกเราถ้าเราจเจริญเหตุที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเข้าวัดเข้าวาอยู่บ่อยๆและมันปฏิบัติทั้งในขณะที่มาวัดและในขณะที่ไม่ได้มาวัดเพราะเราสามารถปฏิบัติได้ทุกผนทุกแห่งเช่นการเจริญสตินี้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราทาแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน